Book 2ูหกสิบเก้าสิตินต้องการอยากเท l น e กวิลล่ดิฉันต้องการเตียงยัยเทรนเกอ e ์เอ n เดิฉันอยากนอน ฉันจะนอนที่นี่มีเตียงไหม f ิน n en ์สต์เดนเซงเฮอดิฉันต้องการโคมไฟฉันต er ้องการโคมไฟฉันอฉันอยากอ่านหนังสือฉันอยากอ่านหน่นี่มีโคมไฟไหมัอฉอยา ดิฉันต้องการโทรศัพท์ฉันต้องการโท t e l e f o ฉันอาัฉันอกาโทรศัพท์ฉั i l l กโทรศัพท์นี่มีโทรศัพท์ฉนต้าโทรศัพท์ฉันต้องการโทรศัันต้องการฉันต้องการ้องกาทร้องารารรศัพ ดิฉ er. er e e ันอยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมกล้องถ่ายรดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ฉันต้าคอมพิวอดิฉันอยากส่งอีเมลฉันอยากสอี ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมฟินเนส e ์เดนดัต้ามาร์ชินดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นฉันตรลูกลื่นฉันอยากเขียนอะไรห่นันอยการป่นอรปากก่นีันตกรปาาลูล่นีกรปากกาลูกลืันการปากกาลูกลื e นฉัน r ้